เทศในคืนวันที่23ตุลาคมพศ2518ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนเทศบรมคณะนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระสัจฉณาประเทีนโลกมานานสะเคตุดันพระพุทธเจ้าองค์ตุดันซึ่งพระปาพระพุทาสัจาออกมาผีเลกแค่โดยแสงพันห้าร้อยจุดแปดปีแสดงว่าพระสัจฉณาประเทียนโลกมาได้ห้าร้อ สองพัน ห, นห้าร้สิบแปดปีตึมูลทั้งหลายเื่อมาตั้งแต่วันจัดไปจนกระทัง่งวันนี้ต่อโกงห้าโซิมานันโดนิจังจัดไป เ, เตือนสติพระธรทั้งหลายทำมัน มนอนหลับทักผิดเพินอยู่เมื่อไรจะตื่นพามาโลกนี้ไม่มีไฟใดที่จะยิ่นร้อนยิ่งจากไฟที่เดือดตัญหาโลกท่านยังไม่ทราบเูหรือว่าไฟกองนี้เป็นไฟที่แโลกมาเป็นเวลานลานว่าทาความเสื่อมเสียแต่โลกกคือที่เดืตัญหาเหล่านี้ เือนศนสตราจากโ์ถึงฮะช่ยดมานานดูทำไมจึงพากันลื่นเด้งมันถึงกลับไปแบบนี้มากลับไปแบบนี้หละเพราะศาสตร์สอนโลกมาเป็นยานันผู้ที่เปินเห็นโทษไทยตามพระองค์ท่านพระวิปัสสติปฏิบัติความกัดสิ่งที่เป็นไทยดังกล่าวนี้ สอกได้โดยลาดับทั้งแรกขอมีเป็นแต่พธีทั้งห้ามีพระอัญญ า, ปญาเป็นต้นได้ดวงตาสินธรรมแลได้บังลุธรรมเป็นลาดับถึงห้าองค์เมื่อคือท่านผู้ที่ตื่นแล้วจากหลับสนัดตัดไปที่เหลือทัญหาอัจฉริะออกจากจิตใจใจโดยซึ่งสิด แล้วลำดับต่อไปก็ปลุกไปเรื่อยๆตัวภูมิภาคโซกิมานันดูกระท่งล่เิงเป็นอะไรความเร่องเรงเหล่านี้นะ่ะจะของิเทษิสูจ น, น์อะไรนอกจากเป็นชืวไฟที่ทำเผาตัะเอนหลังจากความเลื่องเรงากลำดับลงไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นบรรดาผังภูมิปุรีอันเบาบาง ก็เลยรื้อตื่นเนื้อตื่นตัวประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านกระเบิดเป็นสาวกอรหันขึ้นมาจำนวนมากมายโดยลําดับลําดับกระทั่งพระพุทธเจ้าประนิทานและหลังจากนั้นมาก็ตื่นตามพระองค์ไปเลยเรื่อยกระเดิดตามกระดิดพระพุทธเจ้าทำได้แจกจุดบรรลุอรหันต์พัฒน์จำลองเป็นดุริธาเป็นดุริธาธาหาจุดกดจุดกดจีด สังับคิดใจไม่ลงเลยก็คือท่านคือค้นจากทุทกค้นจากกิเลสนี้แหละเพราะนั้นจึงพูดได้อย่างเป็นตากว่ากิเลสเท่านั้นเป็นเส้นปกปิดกำบงังเหตุผลดีเพื่อท่นเนทางท่าเดินเพื่อความสงบสุดเล้นยินของโลกหากกิเลสออกจากใจเสียอย่างเดียวสุขขขดผลก็เด่นชัดความผิดก็เด่นชัดความถูกก็เด่นชัด เติมใจทั้งการละการถอนเติมใจทั้งการบำเพ็ญทำด้วยความจนบุกเติมใจด้วยทการทั้งนั้นและผลที่จะถึงได้รับก็เติมอับเนิมทำเติมจิตเตินใจเติมขั้นเติมผุท่านทั้งหลายด้วยวิปามาจากทางไกใจมาคลองหลวงมเดุนดั่งมาได้ความเสียสละ ทุงอย่างเว่านัแม้ชีวิตจิตใจเมื่อถึงตาจำเป็นแล้วก็ต้องทื้งลงไปเพื่อบูชาพระเุทธเจ้าจะทำประโยช์ตามจิตาำนวนของตนที่ไม่หมากใว่าแต่อย่างอื่นซึ่งไม่มีคุณค่าเท่าชีวิตเลยถนัดชีวิตมังคลาได้เมื่อถึงตาจาเป็นท้งสละจึงสนใจและอนุมทนากับท่นทั้งหลายเป็นอย่างนี้ในขณะที่ฟังครอบครัวนาฟังให้ถึงใจ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสอนโลกนี้เป็นธรรมที่ถึงใจครูรู้รู้อย่างถึงใจละที่เลิกอย่างถึงใจถึงความสุขที่มืดอย่างถึงใจเป็นความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนแห่งธรรมที่เรียกว่าสัจหาตัณธรรมปรับละเอบแล้วอย่างถึงใจไม่มีอะไรเคลื่อนแสบเชื่อ แ, แ ส, อ ง, แสองสงเคลื่อนแสงใสที่ว่าแต่ว่าทํามเหล่านี้ไม่เป็นไปเพราะความค้นถูกเมื่อผู้ปฏิบัติการ ให้ถูกต้องคำหลักมัทิตาที่สอนไปแล้วหนึ่งทำนี้จึงเวียดอ้วกนิยามนิกธรรมเป็นธรรมที่จะยังผูธธ้ผพปฏิบัติให้ดุค้นจากทุกข์ได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงค้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเพลิงแหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่มีโอวาทไม่มีคําสอนของท่านผูน้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะยิ่งกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า กิดออกมาโดยชอบเพราะรู้ชอบผลชอบปฏิบัติชอบผลที่ปรากฏขึ้นมาจึงเป็นความชอบทุกสิดงทุกอย่างแระทานพระโอวาทไวก็เรียกรละมัาชินมาเตินท่องคลังของโลกดีเสมยไม่ว่าสัตไม่ว่าบุคคลและไม่ว่าท่านวันณะใดที่จะนอกเหนือไปจากพระโอวาทซึ่งจะก้าวข้าในถุนั้นเติมไปไม่ได้ทำมาของพระพุทธเจ้าประการกระเพือมอยู่ทั่วโลกดินแดน นอกจากโลกจะไม่สามารถที่จะพุทธิบัติได้เท่านั้นควนรทมเป็นสิ่งพุทประกาศทํางวันอยู่ทั่วโลกเพราะความทุกขมีอยู่ทั่วโลกทั้งฐานที่มียุงย่างก็จะเป็นใสก็ตามบุคคลก็ตามทำินกระเทือนเทื่วโล ก, ก, พกเพื่อศุกษาจนแท่านไม่ทรงค้นพบพระองค์เดียวแลวมัน ความรู้แจ้งถึงจริงตลอดปฏิปัติารก็ปฏิบัติที่ทรงรู้แจ้งถึงจริงนั่นมาประกาศสองโลกสมัชฌิมาปฏิปทาปทาสตุลอะตุสังคุถามรนดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจรงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นท า, างอื่นที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ไปได้แต่กฉะนั้นมัชฌิมาธรรมนี้จึงเป็นศูนย์กลางของโลกอยู่ตลอดไปหากผู้ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้แล้วจะไม่ผิดหลัง เรื่องการสถานที่หรือมรรคผลมิพานนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดที่เราจะไปคิดให้เสีเยเวละแยมิลานอกจากจะสนใจในการพิสูจน์ปฏิบัติกรรมจัดสุหลาบที่เป็นภัยจากตัวมุ่งนี้เท่านั้นด้วยควอมปฏิบัติท่านมีงามดำที่ท่านสอนไว้ที่เรียกว่มามัจจิมามัจจิมารทำนี้เท่านั้นเป็นเครื่องรับรองยืนยันเทั้งการแก้กุหลาบที่หาอัจฉระให้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจทั้งความรู้แจ้งแทงตลอด ในโดยธรรมทั้งหลายจปถึงความพ้นทุกมีมัชฌิมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับแรงไม่มีธรรมใดที่จะรับแรงในการละและการบำเพ็ดังที่กล่ามานี้ได้นอกจากหลักมัชฌิมธรรมที่ทประธานในเรื่อนี้จึงเป็นที่แน่ใจสําหรับผู้ผจะพึงปฏิบัติไม่ต้องคิดให้เสียเวลามเวลาในเรื่องวัฏมงฆ์มิพานซึ่งเกิดซึ่งสมัยไปแล้วทั้งๆที่ เาว่าทำดังสอนคำอุทธิจ้ายังนียนั่นเป็นความคิดของโ ง, ง่พระบุตรโง่พระธตดร์คือคิดออกมาด้วยความดุน่นดาวเสาะนาแทนที่เหลือปกครองผู้หมอไม่มองเห็นเหตุเห็นผลจนต้องเห็นตายแล้วประพูดออกมาตามภาษาใต้ภาษาทั้งตนซึ่งแล้วคำพูดเหล่านี้และความเป็นเหลานี้ไม่จากเข้าในกดเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องดังหลักนัตติมา เพราะหลักมัจจิมาเป็นเครื่ยงยืงยันแล้วออกมาแล้วจากพระไตรที่เบกิกฤทธิ์ตรัสรู้ก็ตรัสลื้ด้วยหลักมัจจิมานี้การสอนธรรมก็สอนด้วยหลักมัจจิมานี้ผู้ปฏิบัติตามหลักมัจจิมามีเพื่อที่เลือดเพื่อธรรมะที่เลือดประเภทเดียวกันที่เลือดตัวไหนจะมีอํานาจวาสนาสามารถแจ้งกล้าที่จะลบล้างธรรมะเหล่านี้ได้ไม่ปรากฏ น, นอกจากเราจะเป็นผู้อ่อนแอลิ้ม ไม่มีความสามารถที่จะพุ่งพรวดปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้ได้เป็นเป็นเม็ดเป็นห่วงารธรรมที่กล่าวได้เพื่อลกร่างที่เหลือขึ้นมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรเล่าเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพฉาในโลกนี้มีอันใดสั้งสิ้ที่เป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลมิจฉามาให้พวกเราทั้งหลายที่ต้องการมรรคผลมิจฉาได้รู้ได้สห็นนอกจากที่เหลือนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่น ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภู Again, เขายก็เป็นภูเขายดินท่าอากาศก็เป็นด pues, uh ินท่าอากาศสินใดก็เป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เปสิ่งที่จะมาจีบจังอางําเนินเที่ยวนักขุดนิทานนอกจากสิเลตทึ่เต็มอยู่ในหัวใจหรือติดจิตใจของเราอย่างมิคุดไม่มีจางว่างจางซื่อมืดเต้ไปหมดนี้เท่านั้นนี่แหละที่เทื่องตุดกั้งนักขุดนิทานไม่บรรดาจับทั้งหลายนี้ ธรรมชาติไนร่าที่จะเปิดสึ่งที่ปกปิดกำบังจิตใจอยู่นี้ให้ออกไปได้โดยหลักก็มีหลักมัตติมาสรุปความเมืองให้เห็นธาชาติในหลักจอริยกัจจธรรมทั้งสิ่งแล้วก็ญญสิ่จกัจจธรรมสองประการเป็นเครื่องปกปิดกำลังจิตใจของตัดโลกมาพ้นจากทุกข์ไปได้คือทุกข์กับจิตมืองทไทย สมุทัยคือเรื่องของกิเลสตัวชนคุกเป็นผลของกิเลสที่กขึ้นมาให้เกิดความรนร้อนแตกใจของกัมโลกมีเป็นเครื่องปกปิดกำบังไม่ใช่ภูเขายินฟ้าอากาศเป็นเครื่องปกปิดจิตใจเพื่อไม่เห็นไม่เป็นที่ทางแต่เป็นกิเลสประเภทเหล่านี้เท่านั้นนะสิ่งที่จะบุกเบิกกิเลสประเภทเหล่านี้ออกได้คืออะไรถ้ามีหลักมัธยมมา มีสื่นสมาที่ปัญญาเป็นต้นมืแลวเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยตลอดมาจนกระทั่ทงปัจจุบันและตลอดไปไม่มีทางสุ้นสุกเป็นมัชฌิมาอยู่เลยสมัยเสมอและควรสื่การแส่เครียดทุกประเทศในบรรดามัชฌิมาที่สมนในเรื่อนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปท่าเรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาจฉริวมีทันเรื่องแต่งสื่น สมาสติสมาวายมโอสมาสติสมาสมาธิมี่เท่านี้องค์สมาธิรวมทั้งสามประเภทนี้แลถ้าเรียกสมัครจริงมาสมัครมาทำนี้แหละเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ติดกั้นทั้งหลายที่เกิดแบบนั้นให้ทั้งหมดไปหมดไปจากกันด้วยการปฏิบัติมีจึิงยวมแล้วอะไรกัดทั้งสี่นี้มีอยู่กับตัวของเราทุกๆรายด้วยกัน พบ ก, กับตัวมืไทยเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจิตใจแต่มากได้แต่ข้อปฏิบัตินั้นถ้าเราจะรวมให้มีข้อมี ร, รมให้มีมากมีน้อยตามกําลังความสามารถและความมุาายย่งมั่ยายามของเรามีได้ด้วยกันเมื่นะอมาอบรมให้เตมที่เต็มภูมิแล้วก็สามารถแก้เฉลีย่ยทุกประเทศทุกนาที่ิดกฝัง อ, งอยู่ภายในจิตใจให้ผ่านเช่นไปได้โดยมับจนกระทั่งถึงนิพนิถึงนิพนิพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ขปสาวโยตหลายมัมนยังไรผิดแปลกแตกต่ารจากกันเลยฉะนั้นกามประานที่จะเป็นเครื่องปลุกจิตจำลองหรือเป็เครื่องเครื่องจิตกั้นมรมคผลิภานไม่ให้บรรลุนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากเฉลยอดทานในเขาหายใจข้งสารโลกฉะนั้นเป็นเครื่องจิตท่านเองแม้แต่ขั้งพุทธการก็มีเป็นนี้เหมือนกันเราอย่ามาตั้งแต่สมัยพุทธการ น, นั้นท่านบรรลุมรรคผลิภานได้สมยัยไม่บรรลุม่ได้แม้สมยัยนี้มันพัฒนาปฏิบัติ การตัดวเริยะก็หลุดพ้นกันไม่ได้น้นจะกาะชายี ว, นธธาายวนนันของพรพุทธ้าไปก็ตักแต่ว่าเกาะเหมือนโซลินเกาะผ้าอะไรตรงนี้ในทันใดก็หลุดอะไรจุดสำคัญนขง้นอยู่กับการปฏธธิบัติวิริยะเป็นประเภทเดียวกันในสมัยพุทธกาลซึ่งอยู่ในหัวใจของสัมโลกมีความโลภความขูค่ความเหลืองประเลืเดียวกันนี้ ทำเงแก่เครืแก่ที่เดชก็มีสุนตมาทิฏฐิปัญญาที่เรียบรวมแล้วว่าเป็นมัตติมาอย่างเดียวเท่านั้นทุ่เคยได้ขลมาเป็นลำนับลำดักไม่มีลาสมัยกาคือทําคร่งแก้ที่เดครู้ที่ลาสมัยเขาจะพูดก็คือเรที่ไม่สามารถจะนํำข้อปฏิบัติพุทองค์ท่านแต่ไม่แล้วมาประพฤปฏิบัติให้เป็นไปตามแต่ละอย่างธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเคื่อแก่ที่เดชทั้งหลายให้งหมดขึ้นประจักษ์ใจ ทำไม่สามารจะอยู่จากเราเราจึงต้องปิดกันนะ้นมะขุนิพพานตัวเองแม้จะอยู่ใ น, ในสมัยสร้างอุตธรการก็ตามมาสมัยนี้ก็ตามถ้าทำแบบนี้ก็คือแบบปิดกั้นตัวเองมนขะุนิพพานต์ก็มีอยู่ในบุคคลคนนั้นตลอดไปไม่ว่าสมายายัยใด้ากที่เด็ก ใ, ในฝังตนมีภาณาจิตใจไม่สนใจที่จะแจ้ไขมันแล้วผู้นั่นแต่ก่อผู้สร้างาสร้า ง, ง, งน้ำให้เป็นหยาย่าและทำลายตัวเองเสมอ และใจ่ผู้อื่นผู้ใดจะมาให้โทษให้ผนนอกจากพู้ตัวตัวเองเองเป็นผู้ผิดเหตุอันไม่ดีขึ้นมาแล้วผลอันไม่ดีก็คือความทุกรนก็เกิดขึ้นแต่ตรงตรงนั้นเป็นผู้มีความสนใจใช่ในการปฏิบัติเพื่อการแบ่กิเดสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าสมายายัยใดกิเลสก็หมอกล้าไปแต่ตามตามกันเส้นยาจากสมัยโน้นไม่มีอะไรผิดแกลกมีเป็นหลักข้อยืนยันตายตัวว่าเป็นความจริง ให้รูอย่าอื่นที่จะ น, จาน่ากระจการสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากคี่เราจะได้เห็นเรื่องของที่เดือดอย่างชัดเจนที่สแ ส, สดงตัวจิตภายในจิตใจการพาวนาพาวนาอย่างไรที่วิชาอาารทั้งหลายก็เคยได้สอนด้วยบ้งแล้วมีวคือการต่างๆกันแต่ผดิตความแล้วก็ขลจะเป็นอันเดียวกัน เป็นความสงบสุขเย็นใจตลาดถึงความเจริฉลาดสามารถทางในจิตใจซึ่งผู้กำลังอบรมภาวนาด้วยทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นขอให้ทั้งหมดความรู้สึกของตนกับคําว่าพุทโธให้คงตืนกันโดยลํำดับอย่ากให้โสตติในความคิดถึงผลอันใดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาว่าจะเป็นะภาพนั้นจะเป็นะภาพนี้ซึ่งเป็นเรื่องหลักตัวประกอบ ถ้ากำหนดความรู้กับคำภาพพุโทโธให้กลมกลืนกันทาบริกรรมกับพุโทโธเป็นเครื่องกลมกลืนกันเสนอความรู้ที่เวยชราบไปในที่ต่างๆจะรวมสุดเ ข, ข้ามาสู่คมภาพพุโทโธอันเดียหลังจากนั้นก็จะปรากฏแต่คำรู้ล้นล้วนแม้แต่ทาบริกรรมพุโทโธก็หมดความหมายแต่อื่นนี่คือผู้จรงตัวได้ด้วยคำรู้ที่รวมนดูท่านเรียกว่าจิตทั้งหมดมีบางส่นเป็นอย่างนี้ ห, หรือคือกำหนดอนาพานะฮะจิตลมหายใจเข้าออกก็มีให้มีความรู้สึกมีสติตั้งอยู่กับลมหายใจที่จั่มัดเข้าออกเท่านั้นไม่ไตั้งไป่ทั้งคัญมันหมายกับสิ่งกับผลอันน่นอกจากงานที่ตนกําลังทําอยู่เท่านั้นผลก็จะพึงเป็นความสังเกเช่นเดียวกันนี่คือการทดสอบการเรียนตามหลักศาสนานั้นเรียนเรื่องของตัวเองความเชื่อหลายทอื่นเป็นทั้งคันจุดเฉพาะอย่างยน่้จุดคือความเชื่อหลายยุตลอดเวลาเนี่ยวะ โรงงานคิดคุณต่างๆขึ้นมาเสนมากก็ติดตุกขึ้นมาเผาโดนกนเดงการปฏิบัติธรรมคือการสอบส่องตนเองนี้จิตเป็นความที่ถูกต้องชอบธรรมตามวิถีทางเดินทั้งจิตคิดความคิดความปรุงของใจและวิถีทางเดินด้วยความสังสนที่ละเอียดทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากใจมีจุดนี้เป็นสําคัญการภาวนาจริงต้องสนใจลงที่จิตซึ่งเป็นฐานที่ หรือโรงงานอันผิดจิงต่างต่างออกมาให้สัดว์ทั้งหลายได้รับความพุทธมีตนเป็นตนความสงบเราเรายินแต่ชื่อในหนังสือสมาธิคือความตั้งมัน่นหนังสือท่านบอกว่าตั้งมัน่นแต่ใจแต่ใจของเรามันคลอนแผลทั้ทงทั้งที่เราประจําได้สมาธิคือความตั้งมัน่นแต่ใจของเราทั้งที่จาได้มันก็คลอนแผลเดือดนั้น พอไม่ทําตามวิธีการที่ท่านสอนไว้จำไม่แต่ชื่อก็จะเกิดประโยชน์ทำจําับความจริงนั้นมีความผิดกันคนนัโลกความจํารลจาได้มากนยอย่างไรก็ตามจําำจำสุดจํคาถาบารีจนึ่กระทั่งจดเข้าใจดีดุแต่การเรีอนการพูดอย่างนี้ไม่ได้รสมากทำของพระพุทธเจ้าเราพูดตามความผรดงลราจะเรียนจบจบเข้าใจดีดุก็ตามชี้เด็ดอันนี้นั่นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นขัดขืนอะไร ข้อไม่สุดกระจุกเมื่อยังจับที่เด็ดยังแทะที่เดดไม่ได้ไม่สุดคุงอะไรจากตรงนี้นอกจากเราเรียนมาแล้วรู้วิธีแล้วปกติตปฏิบัติการจับที่เด็ดตามวิธีหทำที่ทั้นตอนไว้แล้ที่เด็ดจุดรอแต่โดยลําดับดัๆนั่นแหละคือผลความจริงจะปรากฏที่ไหนจุดนี้จากความจำที่เรียนมาที่เป็นแผงที่ที่เรียนมาเทียบฐานนอกกับเช่นเดียวกับโซนเหสีอร้ายต่างๆ คือจะเิมบ้านคนเมืองทํความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่เ็นเมืองมากมาเราจะจดจาชื่อของเื้าโทนหรือของเสื อ, น, สอนั้นได้อย่างไรจกระทั่งถึงโทษแท้ของเสือนั้นก็ตามแต่เมื่อยังจับเสือนั้นมาเข้าคุกเข้าตรงไม่ได้เมื่อไรก็คือเสือนั้นที่เราจำชือ่อจาโทษจาแท้ของมันได้โดยโดีนั่นแหละจะเป็นผู้ตอความยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอไม่หุดไม่ถอย เพระฉะนั้นการจำชื่อฉังเสือของโจรจึงไม่จาจึงไม่สําคัญยิ่งกว่าที่จะจับโจรมาด้วยวิธีการต่างๆการตจำชื่อของที่เดศวิธีการประพฤติปฏิบัติเราจําได้นี่เรียกว่าคามจําแล้วนําความจำนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นความคิดขึ้นมาจนสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อเราอ่านได้แต่ชื่อวัสมาธิเป็นความตั้งมั่นจิตตั้งเท่าที่จิตขอเราจะไม่ตั้งมั่น เราก็มาทํากามวิธีการที่ท่านสอนไว้คือทําสมาธิทางอีว่างรวลรวมกันนั้นจากทั้งหมดทุตโพหรืออนัปปานให้จิตเป็นต้นก็ให้จนไปตามความถูกต้องของธรรมที่ท่านสอนไว้ใเผยกับจิตแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นคามสงบและเป็นความแน่นหนามาั่นคงขึ้จิตใจที่เรียกว่าสมาธิทำว่าสมาธิที่จำได้กับสมาธิที่เป็นจริทงที่ปรากดขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นคนละอย่าง ความจำได้เป็นความภาพหมายแต่ความจริงเป็นความาปรากฏเด่นชัดขึ้นกับตัวเองเพ่อเดียวกั่รับทานอาหารหวานก็ทาบเป็นก็ทราบแตจความเราได้ได้ยินแต่ชื่อว่าหวานางนั้นเป็นอย่างนี้อาหาราประเภทนั้นหวานอย่านั้นเกลืออย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นความจําำพอพอมาถึงที่วิทยรศาสตรของเราได้ทราบผ่าักณฑ์แล้วเราก็าหายสงสัยเมื่อเข้าถึงความจิงแล้วว่าทางเลือกทางธรรมหายสงสัยได้ด้วยกัดสิงด่งนั้นนั้นนี้ ถนนเอนทางมีความเริเยั่งยืนอย่างนั้นอย่างนั้นพอเราได้ ย, ยินเรา ก, าก็มาดภาพขึ้นตามที่แบบเหมืองนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นนั้นพอพอราไปเจอความจริงเ็จริงเราเห็นด้วยาออการเรื่องเราแล้วปัญหามันก็หมดไปเองเพราะนี่คือความจุดเรื่องสมาธิเป็นต้นข้อเช่นเดียวกันเราจำได้แต่ที่อของสมาธิว่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นมีกำลังไม่หาเฉงใสมีแต่คาดมีแต่เนื้อยู่เรื่อยๆแต่พ อ, อ, อาามา ป, ปลาปดขึ้นดีใจแล้วคําว่าสมาธิกับ ที่เราจำได้กับความจริงที่มาปรากฏขึ้นในตัวของเราเองก็เป็นอันเดียวกันความจริงปรากฏขึ้นแล้วความสงสัยก็หายไปนี่แค่เรียกว่าความจริงความจริงนี้ไม่มีอะไรลบล้างได้เช่นธารมะบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนี้ออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้ทุกอย่างใครจะมาลบล้างกันไมได้ีวลาทูดถึงเรื่องสมาธิเป็นความจริงเวลพูดถึงเรื่องปัญญา ปัญญาคืออะไรคือความเฉรียวฉลาดแหลมคมที่จะขอดถอนที่เืออสระไม่ใช่ความเสลียลาดทื่จะทำเรื่องยนเป็นไกเรือเหาะเบินกะโดดดาวเทียงขึ้นประทอาจารย์อะไรทั้งๆิดแค่คุกเป็นไม่ได้ความเฉลีลาดแนั้นกขาไม่เกยดจสะวกดูไม่ดูความเฉลียฉลาดนั้นยังก่อโลกให้เดือดร้อนอีกด้วยถ้าติดทาง แต่ความเจริญตลาดทางด้นน laut, ดมานธรรมะมีมากมายเป็นลายย่อมทำตนให้มีความรุ่งเยืองประจุและทำโลกให้มีความรเรือปรุกัด่างกันเช่เดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเจริญตลาดได้ตรัสรู้ทำด้วยความสนาดความระองค์แล้วนำทำนั้นมาสอโลกแดะความรุ่งเรืนมากมายหลายกองทั้รเห็นอยนี้นีคือคามฉลาดที่ถูกต้องทำหลักธรรมทำหลายถึงความฉลาดอย่างนี้ที่เรียกว่าปัญญาัญาคือความต่อรองคือความแหลมคมความคิดอ่านเจอจองต่างๆตามเอิดตามผล เราดูแจ้งหุ่นจิงตามเส็จ น, นั้นๆผล น, นั้นๆแล้วผลพระปราศุดขึ้นมาเป็นความสงบของสายภ า, ายในจิตใจปัญญาพิจารณาอย่างไรที่ท่านเรียกว่าปัญญาคือการขี้คลายธาตุขันธ์อลายได้แกริญร่างกายนี่มันเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งหรือเป็นที่ประคุมมัดเตรียมกันนึ่ส่วนผสมต่างๆที่มารวมตัวเข้าแล้วเราจะธาตุดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นธาตุดิน เป็นอ่อนเป็นน้ำก็เป็นธาตุน้ําลงมนลมอายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมไฟคือควาอบอุ่นภายในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้มาผสมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลโตที่มีจิดเข้าไปสิงสู่อยู่ในถานะเปนั้นแด้ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอันนี้เราแยกเห็นตามความจริงของของธรรมชาตินี้ เราอยากเราไม่เจอกันแต่ก่อนเราเจอกันวันนี้เป็นเรานี้เป็นของเราทั้งทั้งที่ดินเรากว่าเป็นเราน้ำเราก็ว่าเป็นเราไปก็ว่าเป็นเราลมก็ว่าเป็นเราทั้งทั้งที่ดินน้ําลมไปมีอยู่เป็นแผ่นดินแล้วไม่ถือว่านั้นเป็นเราแต่เรามาถือสิ่งเหลนี้ว่าเป็นเราซึ่งก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันมีแสดงว่าเราไม่เข้าใจความจริงเลยว่าเราจะถือระน้ำเป็นเราทําไมน้าที่เราเห็นอยู่ทุ่งเห็นหงอนนั่นไม่เป็นเราถือว่าลมลมก็ไปมีอยู่ทําไมไม่ว่าเป็นเรา เราทำไมจึงมาถือธาตุติดน้ำลงไฟซึ่งรวนหมุนในตัวของเรานี่ว่าเป็นไงนันก็เป็นความเห็นผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาทิ้งแย่แยะลงไปเพื่อเห็นตามความเป็นจริงว่านี้ก็คือธาตุเช่นเดียวกับบติภายนอกไม่เป็นแต่เพียงว่ามัดมารวมกันหมนเขาเถอะธาตุติดน้ำลมไฟแย่แยะกันดูให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าพูดถึงอนิจจังก็มีความแปรสภาพอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งกลางคืนกลางวันดืนเดือนั่งนอนไม่มีอิยาบุตไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความแปรสภาพอีู ทำหน้าที่ของตนไปโดยลําดับโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นพึกถึงเรื่องความทุกข์กับมันกัรมันอยู่ขันอยู่ตลอดเวลาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนหลายจึงต้องเสียนอยาบถเพ่อเพื่อความมัรเทงความทุกข์ถ้าว่าจะมีแต่เพียงอิยาบถเดียวโลกคนเรามันคนไม่ได้ท่านนอนตลอดไปนี้มันก็เป็นทุกข์นอ น, นอมากๆเข้าไปทุกมากขึ้นหน้านั่งมันก็ตายได้ยืนตลอดเวลาก็ยืนไม่ได้มันจะเพิ่มความทุกข์มากต้องเตรียม เดินบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนนอนบ้างมือก็หายอะไรกระลังนพอะไรบ้าง่็บรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวเองนี่เรียกว่าทุกข์มีหรือไม่มีในตัวของเราเราหลงทุกข์ไปที่ไหนทุกข์อ่ในตัวของเราทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติต่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่ทราว่าครามทุกข์นี้มาลังคลามหรือลังใจหรืออยู่ข้างใรอยู่หรือเปล่าธรรมะเราจะเรียนที่ไหนถ้ามาเรียนในธรรมชาติที่เป็นความจิงเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี่ท่านเรียกว่าัญญาธรรมะนัาก็อย่างชื่อว่า อาตาเลถือเป็นเราได้ที่ไหนอาการแต่ละอย่างอย่างเป็นหธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปของมันเท่านั้นใครยึดว่าเป็นไรเป็นของเป็นของใครก็ตามเขาต้องมีความรู้สึกตัวเลยว่าเขาได้เป็นเราเป็นของเราตามความสังขารนั้นหมากของเมีตัวคือว่าความรู้ของเรานั้นเองติดตามเข้าไปขาไปไหนก็ติดตามเข้าไปจะให้ทันแต่มันไม่ทัน คือไม่สมปราถนายำไปขังแล้ว็ติทำปฏิทุขังปราถนาจินใดไม่เปนหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาจากใจของเราเองไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นทุกข์แต่ถ้าสิ่งนั้นลงไปก็หาไม่แต่มันเป็นทุกข์ขึ้นที่ผู้หลงงมงายนี่เองแต่เชื่อเชื่อถือเพราะฉะนั้นท่านจึตรศรให้พิมาปัญญาที่คาเแล้วเ ห, ห็นตามหลักความจริงนะปล่อยภาละเหล่านี้ที่สําคัญว่าเป็นตัวตัวนี้ออกเสียคือความมุ่มั่นถี่มั่นถ่ายทอดถ่ายถอนกันออกมาโดยลังักใจของเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาเป็นอสขึ้นมา เหล่านั้นก็หลงไปตามเป็นสิ่งนี่มาตั้งรูปโยธาสัญญาทั้งฐานยิญยาณจะเป็นสุ่งร็ตามเป็นทุกข์ก็ามเฉยๆก็ตามมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเราพิจารณาที่ขาเห็ตามตริงของมันแล้วมันก็ไม่หลงโยนาว่าเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำของมันจำจำได้แล้วมันก็หลงดืมไปต้องการเมื่อไหร่ก็จําขึ้นมาก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกันมีไม่จำทุกข์ังหน้าตาเป็นตัวเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้งหลายังฐานวินยาณความปรุงความแต่ง นั่นก็มีลักษณะเดยกันนีทั้นเรียกว่ปัญญาพิจารณาที่ตาให้เห็นตามตวามจริงั้งสิ่งเหล่านี้แล้วจิตมันจะยึดมั่นถือมั่นแน่นขนาดไหนก็ตามจิตใจจะเคยมืดนะหนาทั้งโหดมาเพราที่เดียบจบคุมหุ้มออกมาดตั้งกลับทั้งการก็ตามเมื่อตามไปแสงสว่างคุ ป, ปัญญาขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแล้วความมืดมันก็ดับไปทันทีทันใดเช่นเดือวกับ ความมืดที่มีอยู่ในบ้านในเรือนในฐามที่ใดก็ตามพอเปิดไปขึ้นแต่นั้นมันจะเกิดมืดมาตั้งกับตั้งกันก็คนอยู่ไม่นานความระสว่างจะปรากฏขึ้นความมืดต้องหายแไปทันทีทันหนึ่ข้อนี้ถามหน่อยสมมอนกันที่เดชที่ทับผลจิตใจหรือหมอยจิจังอะไรจะมืดเคยมืดมาติดกับอั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้มีความสามารถเกิดก้าสร้งแสงสว่างเข้าไปในจิตที่มึนแล้วความสว่างมันเกิดขึ้นแค่อำนาจของปัญญามันจะปิาเกิดขึ้นมาเอง ทำเมื่อคืเพื่ทั้งหายเหล่านั้นคนตัวอยู่ใหน้าเพราะหน้าของปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถทําจับสิ่งนั้นได้หมดนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นจากโลกตัวโลกคือคูหรือแจ้งโลกรู้แจ้งอะไรท่านมารู้แจ้งในสิ่งที่มืดมิติตามภายในจิตใจทั้งสองนี้เท่านั้นเป็นหลักสําคัญต่อเนี่ยทานนโลกไปมีคูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกธาตโลกขันเนี่ยโลกที่เดือดทันหาแต่ะ่าเป็นอยู่ภายในจิตใจนี่แหละนี่เรียกว่ปัญญา ขนาดอย่างนี้ขนาดปัญญาเพื่ขอขอก่อนตนเัิมปัญญาที่ถูกต้องก็คเมื่อมีความฉลาดเช่นไรก็ยกตวให้พ้นจากทุกข์ก็ได้โดยง่ายแบบไม่ต้อคว้ากองทุกมาเผาเรื่องตเดิทั้งที่ตนไม่เป็นฉลาดทั้งๆที่ทงทงโงกแค่ตายเหมือนกันเพราะยังทำตัม่ตปนาดนั่นคือตงโน้นที่สงงุดของโลกโดยตรงตามหลักธรรมเวทีนั่นคือความฉลาดถ้าเป็นตามหลักธรรมเป็น น, นี้เป่นปัญญา พิจนาที่ใค อ, อย่างนี้พิเรนมันจะลเอียดขนาดไหนมีอิูพานในจิตใจทนปัญญาไปไม่ได้ปัญญาจะสาดล้างไปหมดสิ่งที่ปกาศต้องเตียงคือความบริสุทิ์บิสุทธิเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะยังทรงชักเชิงอยู่ก็ตามแต่พริรุ่นานานานแต่แล้วเทาแค่ไหนก็ตามตาม ส, า ม, ส, า ม, สามมติยมจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นเชื่องมาติด ก, กันนักสุนิพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบติชอและขอถอนิเรได้โดยชอบทำนี้ได้เลยทพระพุทธเจ้าท่านสอน คงคงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเอาตถาคตนั่นแลหมายถึงอะไรตถาคตคืออะไรธรรมคืออะไรธรรมก็คือความจริงยู้ความจริงเข้าไปเดิมหนับนก็ชื่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าเขาเดิมหนับองพระพุทธเจ้ า, าที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่เรือนร่างข้าสึดินน้ํำลมไปนี่เป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่หมายถึงความบริสุทธิ์ที่มีประจําพระทัยของพระองค์เมื่อเราเห็น ใจของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งเขาไปเริ่มหนับเติวหน้าท่านชอบาฏิบัตินั่นชื่อว่าเราได้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงเราถึงขั้นเห็มุกเดียดเช่นจะพิจารกาทั้งสวงนั้นแล่คเราเห็นหลักฐานพุเต็มองค์ทีเดียวเมื่อได้เห็นขึ้นแน่พระพุทธเจ้าจะมีผานนานไปสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันไม่สาคัญเป็นไปเพียงการหลักานที่หรือสมมติยมที่นากันไปคุทธานั้นจะมีมิตรานี่จะมีปัจฉาที่ไหน ทำไม่มีป่าช้ามิพานไม่มีป่าช้าความมีสุดไม่มีป่าช้าไม่มีในทางทุกขังอสตาพระตะหยีบย่ำทำลายความเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงทวามเหล่านี้แล้วจึงเป็นผู้หมดทางคนทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะพระตเหยีบย่ำทำลายหรือครอบครองได้เลยเราต้องการไม่ทำอย่านี้หรือต้องการต้องจากไปที่แห้ตุกข์ก็เดือดร้อนมิจะคุกข์หยีบย่ำทำลายตลอดไปเนี่ยที่วําทำมาจารักจารอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าสุขค้นแต่โลก้นอย่างนี้เลยไม่ถูก อาหยาบย่ำรำมาตั้งแต่ขนาดที่ตรัสรุแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบนและนตลอดสายไปเลยเนี่ยทมผู้ที่ค้นและผู้กูประเสริ์ก็เกิดอย่างนี้ทมก็ได้แสดงความแป่างวนกระจั่งแจ้งให้หลุด้เห็นตามหลักความจริงถ้าสงฆ์าวโลกก็ได้หยุดพ้นปตการพระพุทธเจ้าพ่การพระพทธปฏิบัติจำกัดที่เดชให้หมดแต่ใจิตใจของคนอื่น่านั้นจึงเรียกว่าพุธทางพมังตั้งหงเทาันเทาน้ สมควรจะการกล่าวว่าของผู้มีคุณเดชทั้งหลายอย่างเราที่หาหยิบมาได้เราหาหยิบพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์นั่นไว้เป็นหลักการแล้วเพื่อจปฏิบัติตนเป็นไปตามดับจงท่านกรรมดับคุณเดชขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็เป็นพุทธทางธรรมังชั้งทางกำลังกระถาไม่ก็หลับเราเองได้เนี่ยพุทธทานอกธรรมานอกสังขานอกเป็นอันหนึ่งดังที่เราตื่นถึงท่านนั้นเป็นพุทธาธรรมสังขานอกเมื่อเราสร้างจิตใจของเราด้วยข้อปฏิบัติทางคือ พระพุทธาทงสอนนั pursuit, so way, ้จนกลายเปตัวขึ้นของตวขึ้นมาด้วยความม่สุดอย่างเต็นเต่มที่แล้วนั่นและทิพุทังธรรมทั้งคังัั้ังประทานนี้ขงเราอย่างแท้จริงไปไหนไม่จากกะจากทิพุตังธรรมทั้งคังนี้เลยไม่ว่าอิยาบถใดแม้พระพุทธเจ้าจะทรงเิยอยู่ก็ตามพอไม่สงสัยผู้รรทุนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรีพานไปแล้วก็ตารเไม่หวั่นไหวเพราะความจิงเท่ากันความรู้ความเห็นความจิงนี้มีเสมอกันเนี่ยนะนักื่เอโยยาติโยตั้งแต่พระพุทธ ขั That, right points, you know, the the ้นจากพระสาวบทธิสงได้กระัองค์สุดท้ายเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วเสมอการหมดพระพุทธเจ้าออกาเป็นารุยนี่แะธรรองพระพุทธาเป็นอย่างนี้สำคัญก็คือปฏิบาตเรียนเน้ให้ปฏิบัตเรียนด้วยเฉยจำด้เฉยแล้วมาโอมาอวดตังคุยโม่ไปหมดไม่เกิดประโอะไรหมดน้ำลาย นักเกติบต่อยนักป่าที่เรียกเต็มตัวความรู้ตังหัวเอาตัวไม่รอดท่านมาเรียกนักป่านักปาจริงๆต้องรูร้กินของจริงตามหลักพระพุทธศา้นาแล้วปฏิบัติตามแบบพระองค์ท่านมัน ก, ก็เป็นนักป่าขึ้นมาโดยไม่ต้องเสด็จั้งสังและไม่ซึ่งเพ้เหวิมไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เฮือกอะไรความกินเต็มใจแล้วไม่ไม่ตื่นเต้นเสมอตัว เืาอยู่โดยย่งอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนี่แหละทำของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านตั้งหลายเดินนำไปพธธุทธปฏิบัติเราจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอันนี้เป็นเทศอันหนึ่งต่างหากหลักความจรินธรรมชาติคือพาชนะอันแท้จริงที่จะสัสำหรักที่จะรับทํานั่นสุจริตใจนั้นมีความรู้สึกได้เช่นเดียวกันไม่ว่าหญิงว่าชายมีความกระดานแย้มคม และมีขีดเด็ดเช่ Cancer Get นเดียวกันสามารถที่จะแกุ้ีดเด็ดนั้นให้หมดไปได้เช่นเดียวกันกับกับฮะและเช่นเดียวกันทุพเทิไม่มียิ่งใหญ่ต่อการจึงขอยุติทำเพียงแต่นี้ถามว่าท่านผู้ใดมีข้องวามอะไรจะศึกษาตลอดทางเพราะได้ในระยะต่อไปละยุติ